พระธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่ารู้ว่าไม่เป็นธรรมแล้วอย่าทาทางเมิดพระของเฮา40่องค์นั้นหลกลานนะ มือนีลงมาฉันสามสบสองหนากสามเมื่อวานน่ยฝนตกลงพอ่อประยู่โอ้ฝนตกแห้งเนา ะ, ะวันนี้เป็นวันที่หกมิถุนายนพุทธศักราช2559หมูวันนี้ตอนบ่ายหลวงพ่อคงจะได้ขึ้นไปชมที่วัดป่าภูก้อน เกี่ยวก็วรับเสด็จพระองค์พาพระองค์พาจะเสด็จสมโพธ์พระใหญ่วันที่ยี่สิบมิถุนาแต่หลายวันนะเจ็ดวันเจ็ดคืนมาในมณ์ครูบาอาจารย์แต่ละภาคละภาคแต่หลวงพ่อนะวันนี้จะได้ขึ้นไป <c oughs> รับทราบรับรู้ คงจะมีหลายๆท่านมาประชุมกันอยู่ตอนบ่ายแล้วก็เมื่อวันวันที่ห้ามิถุนาหลวงพ่อไปออกั้งออกจากวัดตั้งแต่ตีสีกว่ากว่าไปถึงขอนแก่นก็ประมาณเจโมงกว่าเกือบ8ดโมงนะไกลพอสมควรกว่าจะถึงได้ไปเขาก็ตรวจสุขภาพ ของหลวงพ่อแต่เขาก็บอกว่าไขามันหลวงพ่อขึ้นมาอีกแต่เมื่อคราวที่แล้วหรือไขมันพอดีพอดีแต่ข่าวนี้ขยับขึ้นไปอีกหลวงพ่อคงจะฉันอะไรบางอย่างมั้งแต่น่าแปลกก็คือตรงที่ความดันความดันของหลวงพ่อรู้สึกว่าขยับก็ว่างกันนะ ความดันของลงพ่อสูงขึ้นเขาก็วิตกแต่ลงพ่อไม่วิตกลุงพ่อไม่รู้ว่าความดันมันเป็นยังไงมันก็อยู่เฉยๆอยู่มันก็ไม่ปวดเสียนเวียนก้าก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่เขาว่าความดันผิดปกติต้องติดตามหมอเขาว่างกันนะทางนี้กขึ้นไป ชั้นสามข อ, องห้องประชุมพระก็มากอย่างเมื่อวานน ะ, ะแต่นั้นไม่น่าจะถึงร้อยพระเมืนนะ่อวานแต่ก็ปิ่มๆนั่นแะว่ามากก็มีแต่ผูิที่มีอายุเหนือกว่าหลวงพ่อมีอย่องค์นึ่งหลวงตาอะไรหลวงพ่อก็จจำไม่ได้ก็มาเด็ไม่ได้นานไม่ค่อยได้เจอกันจากนั้นก็มีแต่พระอะ อายุพรรษาน้อยกว่า <c oughs> เสร็เมื่อชันเสร็จแล้วก็เลยมีการทอดผ้าป่าสามัคคีแต่เมื่อปีนี้หลวงปู่ศรีมูลนิธิหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านสมทบต่างตนให้หนึ่งล้านมั้งจากนั้นก็สมทบหาทุนกันโอ้กว่าจะได้ พอสมควรเมื่อวานเพราะเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจใครๆก็ไม่อยากจะขยับระมัดระวังอย่างวัดก็รู้สึกว่าวัดก็ระมัดระวังอีกเหมือนกันวัดที่มาสมทบคราวนี้น่ยน้อยไม่มากเหมือนครั้งก่อนๆก่อนี่ได้เงินกองทุนขึ้นมาเมื่อวานโอ้ใช้เวลาพอสมควรแต่ที่องไรก็ได้หกล้านอยู่นะ หกล้านกว่าเมื่อวานแต่ไม่ถึงแสนปลายของมันแต่ตั้งจบออกมาแล้วก็คงจะถึงแสนเพราะว่าเห็นเขาส่งเข้าไปอยู่ตามวัดต่างๆที่มาไม่ทันก็ประมาณหกล้านก ว, ากว่าแต่ก็น้อยกว่าปีที่แล้วในน้อยนึงปีที่แล้วของหกล้านกี่แสนหกล้านสองหรสามแสนแต่ก็ใช่จริงๆก็ประมาณสักสามล้านกว่าที่ดูแลพระสงฆ์แต่มันกระลุก ขึ้นทุกปีเนี่ยปีที่แล้วมันขึ้นปีนี้ปีห้าเก้าน่าจะขึ้นถึงสี่ถึงสี่กว่าก็ไม่ทราบละดูแลพระสงฆ์อาพาธแต่หลวงพ่อก็เป็นผู้เป็นประธานหลวงพ่อก็บอกเ อ, อ้อช่วยๆกันเนอถ้าหาวหาเข้าพกเข้าหอหาเข้ามาหาหลวงพ่อ ผ้นะาป่าหลวงพ่อเออหลวงพ่อก็มัดพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังแต่นี่หลวงพ่อไม่ใช่หาหลวงพ่อเป็นการกุศลสาธารณะนะใครจะออกเท่าไรก็ได้นะไม่ต้องหนักใจแต่ถึงยังไงควรจะทำนะหลุกหลานเนะเสียสละเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธหาได้ยากปีหนึ่งมีครั้งเดียวที่เราทอดผ้า ป, ป่าสามัคคีใน มูลนิติหลงปูมันนะหลวงพ่อกับโปรโหมดบอกกล่าวจากนั้นก็ได้หกล้านเมื่อวานหล้านกว่าเสร็จแล้วก็หลวงพ่อกับประชมุปชมประชุมทุนนิติที่ห้องประชมุมคณะกรรมการก็ทั้งหมดมีอยู่สี่ยี่สิบทุนนิติไม่ใช่มูลนะทุนนิติมันเป็นเป็นทุนของ กลุ่มของเราคณะของเราแต่หลวงพ่อเป็นประธานในทุนในที่นี้เพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธถ้าพระสงฆ์ในกลุ่มของเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าส์ไปตกไปภายภาคหนักก็จะได้ใช้จะตุจะตุปจจัยทุนในที่นี้ดูแลพระสงฆ์ทั้งชีด้วยนะทั้งพระดยทั้งชีด้วยแต่เมื่อวานาไปดูคณะกรรมการไปเห็นเห็นแล้วครับ ไม่มาประชุมหลายคนติดต่อกันหลวงพ่อท้าว่าไม่มาติดต่อกันก็จะแสดงว่าท่านก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจสนใจในทุนในที่นี้ก็เอา้าเอาออกเอาคนอื่นมาแทนเอ า, เอ า, เอ า, เอาคนอื่นเข้ามาแทนซะเพราะว่าเวลาประชุมเนี่ยมันต้องเลยครึ่งองค์ครบองค์ประชุมจึงจะประชุมได้ถ้าท่านไม่มาไม่ให้ความใส่ใจสนใจ มาวันไหนก็ไม่ได้มาอันนี้องค์ประชุมของเราก็ขาดเพอเพอยังมาแล้วไม่ครบไม่ครบองค์ประชุมประชุมไม่ได้อีกต่างหากเนอถ้าถคนใดขาดนาน น, านไม่ได้ไปก็เออเอาเอ า, เอาท่านออกก็ท่านมีภาระมากไม่ว่าท่านว่าเราเราก็เหมือนกันสิ่งไหนที่นั้นภาระมากก็ต้องบอกนะเอ้ยเราไม่ได้ไปนะขอยุติ เพราะภาระของเรามากไปไม่ได้อย่างมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนหลวงพว่อลาออกเลยลาออกรองประธานลาออกกรรมการลาออกหมดทุกอย่างมอบมอบไปน้องๆเขาทำจัดการไปแต่เนอมูลนิธิพอหลวงพ่อแก่แล้ว แล้วก็เป็นตำแหน่งที่รองประธานเอกถ้ามือเปื่อมีอะไรหลวงพ่อก็จะต้องรับผิดชอบหลวงพ่อแกแล้วรับผิดชอบเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นบนทิน่นเพราะนั้นถ้าสิ่งใดก็ตามที่จะให้พวกลูกหลานน้องน้องกๆทำแทนไม่ี้มาเกี่ยวข้องเรามากจนเกินไปเราก็มอบมอบไปซะมอบหมายไปซะ เป็นเสียสิ่งในที่จําเป็นจําเป็นเราก็เอาประครองประครองไปอย่างมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเป็นมาสองสองสองสมัยละสมัยละแปดสมัยละสี่เดือนสมัยละสี่ปีเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตกครั้งที่สองหลวงพ่อก็จะลาแล้วนะครั้งแรกเออ เป็นประธานคัดตาทัพมันหาคนเป็นไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะตั้งยังไงไม่รู้จะหาเงินยังไงหลวงพ่อก็ได้เป็นประธานคัดตาทัพปีแรกสี่ปีแรกพอสี่ปีที่สองพอจะขอลาเขาก็บอกว่ากําลังตั้งไครหลวงพ่อกําลังจะเดินได้ขอหลวงพ่อเป็ดอีกเทินเออท่าหากว่ายัางเห็นความสําคัญอยู่เออเอาหลวงพ่อจะเป็น ประธานให้รอบที่สองอีกสีป่ปีพอมาปีนี้ครบอีกเยเป็นแปดปีแลนะ้วได้หลวงพ่อโอ้ไม่ได้ขอลาออกเขาโอ้ถึงยังไงก็ให้หลวงพ่อเป็นป ร, ประมุขประธานไว้ก่อนเพราะว่าเวลาจะหาทุนระดมทุนเพื่อสงอาพาดเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อมาเป็นหัวหน้าให้ก็รู้สึกว่า จะตกปัจจัยก็ยังไม่มั่นใจพอก่อนหน้านี้เราหาทุนสมัยหลวงปู่เทศท่านเป็นประธานข่าวนั้นกะไดที่ไดแสนสองแสนสามแสนขนาดนั้นลหละก็ไม่มากไม่พอใช้สำหรับพระแต่หลวงพ่อเข้ามาข่าวนี้ก็รู้สึกว่าระดมทั้งพระระดมทั้งศรัทธาญาติโยมก็รู้สึกว่าพอใช้สำหรับ การบริหารจัดการดูแลพระสงฆ์เขาก็อยากจะให้หลวงพ่ออยู่ต่ออีกหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อแก่แล้วนะหลวงพ่อไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิรับผิดชอบเซ็นนุ่นเซ็นนีเ้เพราะว่าการเซ็นนุ่นเซ็นนี้บางทีเราอาจจะขาดความรอบคอบว่าเราแก่นะควรจะให้พวกลูกห ล, กลานน้องน้องน้เขาทามซะ แต่ทึงยังไงเขาก็บอกขอขอขอีกปีนี้หลวงพ่ อ, อกับเป็นมูลนิธิของหลวงปู่มั่นก็เป็นประโยชน์ต่อครูบาอาจารย์พระเทระมหาเทระทั้งหลายที่เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อเอาถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แต่ทึงยังไงอย่าให้อย่าทำปัญหาอย่าสร้างปัญหานะพวกเรานะให้ช่วยๆกันดูนะถ้าว่าสร้างปัญหาก เงินงำปัญหาเกิดขึ้นหลวงพ่อไม่สบายใจนะหลวงพ่อนะอยากจะให้มันเกิดเป็นศีลเป็นธรรมเท่านั้นหละการบริหารจัดการดูแลพระสงฆ์สำมานเณรแม่ชีตามกฎระเบียบของมูลนิธินะะั่นแหอะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังลำ่ำหวังรวยอะไรหวังหน้าหวังตาอะไรนะแต่มเมื่อวานนี้ก็วัดของเราก็สมทบเข้าไปนะ เราเตรียมปัจจัยไว้หนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทวัดเรานะแล้วก็ญาติโยมทังไปขอนแก่นอุญพัฒพ์นบอกว่าถ้าจัดทาญาติโยมขมาสมทบอีกก็ามาสมทบกับหลวงพ่ออีกเจ็ดเมื่นหรือเอามาแต่นี้พอพอเอาเข้าไปมันไม่ถึงหกล้านบาเนี่ยยังขาดเงนินอยู่เก้าหมื่นกว่าบาทมั้งเออมันไม่ถึงหกล้าน เราก็เอ้ยโซเฟอร์เราเที่เราเตรียมกระตุปัจจัยไว้สำหรับเราจะมาซื้อของนำไปใช้เอเท่าไรโซเฟอร์ไว้สองหมืน่นสองหมื่นหกครับเถ อ, อนะทั้งหมดนะเอามาทั้งหมดเล ย, เยน้ำมันรถคงคงจะไม่หมดถึงบ้านผือถ้าถึงบ้านผือยังค่อยหาใหม่ หรวงพ่อก็เลยสมทบทางของเราด้วยทั้งของญาติโยมด้วยเจ็ดหมืนแล้วกสองมืนหกเจ็ดแปดเก้าแสนเก้าหมืนหกพันนะดนะุกหลานเะนี่ยพวกเราร่วมสมทบดูแลสงอาพลาดแต่จะถูกปัจจัยที่พวกคณะจัต ย, ยาญาติโยมใส่ซองใส่ซองใส่ซองมานะั่นอะ แล้วบอไม่ได้ใส่ซองก็เขียนว่าร่วมสมทบผ้าป่ า, ปาสงอาพาดเป็นซองธรรมดาอันนั้นหลวงพ่อไม่ได้นับนะจับยัดใส่ถุงเลยใส่ถุงแล้วก็มัดเลยมัดแล้วก็ส่งให้เขาไปเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนหลวงพ่อไม่ได้แกะซองที่เขาเอามาให้นะอันนี้เป็นซองของเราก็คือจะตุปัจจัยที่เรากลุ่มของเราอ่าแล้วก็หลวงพ่อสงบ ที่วัดสุกใจบางบ่อท่านก็ให้เสียเช็ดมังโอนเข้ามาให้เราเป็นให้หลวงพ่อไปนาไปถวายหลวงพ่อก็เลยนาจะตุปปัจจัยเงินสดของท่านไปถวายท่านอีกตรวมสมทบก็บเป็นนวัตทั้งของหลวงพ่อสงบ้วยของเราโดยก็สองแสนกว่านี่ยแหละอันนี้ก็คือพูดให้ฟังในรายละเอียดรายละเอียดก็พือเรื่องการเงินการทองเนี่ย มันต้องจะแจ้งชัดเจนพอสมควรเป็นยังไงไปยังไงถ้ามันอึมครึมเนะ่ยมันไม่ดีมันสงสัยนะแต่พวกเราก็คงยังไม่สงสัยหรอกแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวทางสำหรับพระลูกพระหลานผู้จะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนะี่ยต่อไปภายภาคหน้าหรือว่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องเหล่านี้แหละคือเรื่องอ่ ไม่ชี้แจงไม่ปร่งใสแต่ตามไม่จริงแล้วก็แล้วไปแต่ผู้ทด่อยากรู้อยากรู้เท่นี่จะทํำยังไงมันอยากรู้นะเพราะนั้นหะนะลวงพอ่อทําอะไรลงไปจึงแจ้งข่าวบอกข่าวให้พาลูกพาหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมเรียนรับรู้รับทราบเรื่จะตุปัจจัยไปมาอย่างไงได้อย่างไงไปมายังไ ง, ไ ง, ไ ง, ไ ง, ไงพอที่จะชี้แจงจุดไหนได้นะ <c oughs> แต่ถึงอย่างไงก็เพื่อกองการกุศลทั้งบุตรนั่นแหละ แดูแลพระสงฆ์เป็นบุญเป็นกุศลพวกเราแต่จะตกปัจจัยมาเนี่ยนะก็แบ่งนู่นแบ่ง น, น, งนี้สร้างพระเจดีย์ก็มีสร้างศาลาก็มีซื้อที่ดินก็มีมีมากมายซื้อเครื่องมือแพทย์ก็มีสร้างโรงเรียนก็มีถ้าปัจะจรยายไปแล้วก็ยาวเหยียดทีเดียววันนี้คงไม่ได้ฉันอาหาร เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือปัจจัยสีของใช้ของจําเป็นใช้ในพระพุทธศาสนาแต่ก็วัดของเราก็เหมือนกันวัดของเราไม่ใช่เป็นแหล่งเป็นแหล่งสะแสวงหาทรัพนะพวกจธาญาติโยมทุกคนนะใครก็ตามเข้ามาสู่วัดนะมาอยากจะได้นุ่นอยากได้นี่ ขโมยของวัดอีกต่างหากวัดนี้มันไม่ไม่สถานที่วัดมันไม่ใช่สถานที่หาวัตถุนะมันหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าใครก็ตามมาโสแสวงหาล่าหารวยหาเศษหาเดนในวัดอันนั้นผิดละคิดผิดแล้ววัดเป็นสถานที่สแสวงบุญสแสวงบุญสแสวงกุศล วัดวาศาสนามันไม่ใช่ที่สแสวงหาทรัพย์ที่สแสวงหาทรัพย์สูงการค้าโรงงานต่างๆในจงนั้นคือเขาหาเงินแต่วัดวาศาสนาเป็นสแสวงหาบุญถ้าว่าใครทำผิดทำถูกโกรกแก่ใจไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกทูกทันอันนี้มันผิดหรืออันนี้มันถูก ้ามันผิดแล้วอย่าทำถ้าทำไปแล้วมันจะผิดติดจิตติดใจไปตลอดนานเท่านั้นแต่เหมือนหลวงปู่จามหลวงปู่จามนักโพดอะไรพูดแปลกๆนะพูดแปลกๆให้ได้ยินถ้าว่าเป็นเปรตเลยกัเป็นตัวเป็นขาจริงๆนะหลวงปู่จามนะฟังๆดูแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องฟังไปก่อนก่อน อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งไหนในโลกนั้นมันเกิดมาได้ทั้งนั้นอ่ะอย่างแผ่นดินสูบเทวทัตอย่างนี้เราก็ยิ่งไม่น่าจะเชื่อแผ่นดินแข็งทั้งแข็งมันจะแยกสูบได้อย่ไงไรมันเป็นคนบาปกรรมมันเป็นได้ทั้งนั้นแหะผมราบาปกรรมพาพาไปสิ่งที่มันไม่ดีพาไปบาปอากุศลพาไปมันเป็นไปได้สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมันก็ต้องเกิดนะ อย่างหลวงปู่จามว่าเนะีมีคนวัดมาที่ไรลขาขาโมยแต่ถ้วยมันสมัยนะั้นถ้วยจานมันหายากใช่สมัยศึกสงครามถ้วยจานแต่ละใบนี่ก็ต้องออกมาใช้นก็ต้องดูนับพวกคนรวยเขาก็หามาให้พวกตลาดจากนั้นก็มามาวัด มาเป็นล้างเลยเก็บตอนที่ล้างก็ไม่มีใครทำอะไรได้แต่พอตอนไปเก็บนะทีแต่ไห น, นคนทายกวัดคนวัดนั่นที่อยู่ใกล้นั่นไ ม, ม่ใช่อื่นไก ล, ล่ะมาขโมยพวกถ้วยพวกพวกชามพวกอะไรตัวเมอะไรที่ตัวเองต้องการทีนี้พอ พอต่อมาก็มันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเป็นบาปอุปสงค์ท่า น, นว่ากนะัน่ะหลวงปู่จามพูดนะอันนี้พวกเราฟังเอาไว้เออแต่เน่ก็พอต อ, ตอนกลางคืนตอนใกลค้ค่ำนะดังกองแกงกองแกงกองแกงเออในที่เก็บถ้วยเก็บชามเหมือนกันเออก็พอไปดูเห็นมุกไม้มุกไม้เลยดเหมือนกับคนเออก็วิ่งไปพระในกระสกัดทางออกทางเข้า หลับลัดหมดทุกอย่างไม่เห็นวานะเอแต่ว่าตอนที่เห็นว่าเป็นโยมเนี่ยแหละโยมทิมอที่มาเคยเอาของวัดนั่นแหละไม่ลวกกี่ครั้งจนมั่นใจถ้าคนยังไม่ตายจะยังเป็นเปรตได้ที่เนี่ยคนว่าได้หลวงผู่จามว่านะแต่หลวงพ่อก็เป็นหลานใช่ไหมละ่ะหลวงอาพูดอะไรให้ฟังนั่งฟังอาปากบอส เออเออมันเป็นได้เป็นลงอ่าวเลยนั่นนั่นสิเออเขากดไปจะกัดมันก็ไม่เห็นนะมันหายเงียบไปเลยเอ อ, เ อ, อแต่หลวงปู่จามนะันก็อย่างวาดนะที่ท่านพูดอะไรก็เป็นตัวเป็นขาจริงๆออแต่ถึงยังไงพวกเราเขาฟังเอาไว้เพราะท่านเกิดก่อนออท่านเกิดก่อนท่านรู้ก่อนเห็นก่อนสรุปแล้วก็คือสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำนะเป็นบทเรียนออถ้ามันทำขึ้นไปแล้วไม่มีใครรู้ ตัวเองนั้นรู้มันผิดนะมันไม่ถูกต้องไม่ไม่มันไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและอย่าทำถ้าทำขึ้นไปแล้วจะเป็นมลทินจะเป็นบาปอกุศลในจิตใจเพราะวัดวาศาสนาเป็นแหล่งสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่แหล่งหาเงินไม่ใช่แหล่งหาวัตถุนะถ้ามาสเสาะแสวงหาวัตถุในวัดวาศาสนานะไม่ได้นะผิดผิดสถานที่ใชแล้วนะแต่มัน เกิดขึ้นมามันเศษมันเหลืออที่มันเหลืออยู่แล้วกินอื้ออันนั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าไปโลกโหโมกณะเนี่ยมันไม่ท<ม>ุกข์เพราะั่นให้พวกเราทุกทุกท่านนะไปน่าจะานที่ใดถึงลุงพ่อจะตายไปแล้วกว็เถอะนะพวกเราไปอยู่น่าจะานที่ใด อ, อต่อไปภายภาคหน้ายังไงให้พวกเราฟังเอาไว้ฮวัดว่าศาสนาเป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศล ไม่ใช่สถานที่ส่แสวงหาทรัพย์ภายนอกเป็นสวแสวงหามรรคผลนิพพานทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันฝ่ายพระก็เวลาจะใช้สิ่งที่เขาให้มาโดยเป็นธรรมเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าซ่อนหน้าซ่อนหลังโกหกตัวเองขโมยตัวเองดูๆแล้วนั่นนะเป็นการขโมยตัวเองมันถูกต้องไหมที่เราทา ถ้าไม่ทำถ้าไม่ถูกต้องระยะทำถ้าทำขึ้นไปเป็นมลทินทั้งด้านจิตใจเป็นพระศีลด่างพลอยศีลไม่บริสุทธิ์คิดคิดมาเมื่ อ, อไรก็ไม่สบายใจไม่โปร่งใสไม่สางา่าเผยในใจิตใจเพราะนั้นเป็นพระก็ต้องเป็นพระที่อยู่ในเกรอบอยู่ในศีลในธรรมมีอะไรบอก กล่าวซื่อตรงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะทุกร้านนะถ้านะให้ไปศึกษาดูที่หลวงพ่อได้ศึกษามานะเป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะขรุพันธ์ละหุพันธ์ขรุพันธ์คือของสงของหนักระหุพันธ์คือของเบาในวัดถ้าพิจูดายก็ตามเอาของครุพันธ์ไปใช้ เป็นถ้วยโถโอขันจอบเสียมไปแล้วไม่รู้จัะเก็บปรับอบัตดแปลว่าไม่รักษาของสงอันนี้ของสงต้องรักษาเหมือนกับของรัฐบาลใครเอาไปใช้ทีไหนต้องเก็บมาไว้ที่เก่าต้องรักษาอันนี้เป็นของสงไม่ใช่ของบุคคลนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจันเน้นหนักพิกจุเตียงเอาเตียงต่างโูกเขออ่าย ของสงออกไปที่ออกไปนอกที่แล้ว เ, เมื่อตัวเองย้ายไปก็ดีไม่มอบหมายไม่มอบหมายให้องค์อื่นคนอื่นจัดการก็ดีทิ้งปล่อยปละละเลยปรับอาบัติปาจิตตีเนะี่ยผิดศีลนนะี่ยถึงตัวเองจะไปที่ไหนก็ไปอาบัติปาจิตตีเตอนนั้นตัวเองมันผิดแล้วนะผิดศีลแล้ววันัยของพระพุทธเจ้าแล้วนะเพราะฉะนั้น เรื่องพิจนายของพุทธะนี่ต้องศึกษานะเรื่องศีลของพระนะมีอะไรบ้างเนี่ยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังขนาดเอาโต๊ะเตียงเก้าอี้ขึ้นมาก็ยังผิดศีลสองรย่สิเนนะีลยยีิจที่ไหนก็คือกิริยามารยาทการวางตัวการเป็นอยู่ของพระเนรนั่นเองศึกษาดูสิศลสออยีิบของพระนะคือสรุปแล้วก็คือให้พระอยู่ในกรอบในศีลในธรรม อถ้าวัดไม่อยู่ในกรอบในถิ่นเนี่ยทพูดกล่อนไปกล่อนมาตอแหลนาตตอแห ล, ลหลังโกหกหนาานด่นดานอทําผิดก็ว่าไม่ได้ทําผิดอันนั้นแปลว่าไม่ใช่พระแล้วเป็นฆราวาสแต่ฆราัาสสมผููดีเขาก็จะไม่ทําำฆราวาสเร็วเขาทําได้แตเหมือนกับพระเร็วก็ทําได้นะแต่ฆราวาสที่ดีพระที่ดีต้องระมัดระวังเขาจะไม่ทํากันน่ะจึงตรงไหนกับตรง ความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมานี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราเนะี่ยที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตําหนิผู้ใดใครผู้หนึ่งตําหนิทุกคนตําหนิทุกคนที่ทําผิดนะชมเชยทุกคนที่ทําถูกนะถ้าทําผิดแล้วจะไปชมเชยยังไงมันผิดจะไปว่าถูกได้ยังไงมันผิดนะเอาละพอแนละ้วแต่นนะ